เดือนสิงหาแล้วฝนยังมาท่านเล่งสักเถื่อนกันไปยังว่ามือเศร้านี่ไปบินระบาดยังบอกมันผู้ญบานวาตีขอวางในน้าวไอ้หนุ่ตีขอมาเลยจับฉลากมันแม่แรงยกกับผู้ใดไอ้หนุ่มันโชคใสสิมแม่แรงยกกับผู้ใดคนหนึ่งในยกฉลากคนหนึเป็นยังไงการผ้ใดยกฉลากจับถือถึงสามเทือเ่อนระบาดอีพูดนะเอาไปวัดมดัดไนวะ้ไก่ๆคน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 กามันอยู่น้ำผู้อื่นแต่งงานกับผู้อื่นกูกัสจิรุยก็นีโยกหมดวะอันนี้มันกูอยู่ระมืองิมันยังทุกข์ยังยากหมดวะทั้งผู้ผัวของมันอยู่อีห้าเนี่แหละว่ากามันอยู่กับผู้อื่นก็ทำไมไม่ให้ไม่น่าให้กูเฮ็ดจุดออกหมดวะเอาบาเทียงกันวนออกไปจนลูกค้าเที่ยวดาอยงหัวเขื่อนล่องข้าวนอนออกไปกูสีซอยจังนะไอ้ซอยคู่เหนือจิรำจิรุ้ยมันเจ้าเียงกันนะฉันเดี่าเนี่ลูกค้าเที่ยวดารักษาจอมปลวกอยู่หลังบ้านลงไป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 วันน้เที่ยวดาก็เลยว่ามันคือนจิมืออื่นมันค็จะไปหาเตาบ้งางหรอเพื่อเลยเอาไหเงินไหท่องไปไหว้างทางกันไปเราไปตั้งไหวจุกปลุก ม, มันกัไปไปมึงจะได้เห็ น, ม, น, ม, น, น ม, มันจะไดเปิดเพิงมันสะไดเอาเงินเอาท่องเม้ามึงจะไดขายออยู่ในขอบครัวมันก็นจะเศร้าจมเศ้าวายกันนั่นลูก ค, ค้าเที่ยวดาว่ามาบ้านห้ามอนนั่น มือนั้นกัาบบัหาเตา่ไไปหาแ ร, รล่ผลเลียวขึ้นทั้งฝ่ากนคนบ่มีวาดศาสนาไปแล้วคืนหาเธอคุณยางกายเสยวนะลูกค้าเที่ยวดาโว้กูสิเอาจังไหนนอนเใส่เหมืออื่นมาม้ามันขึ้นจังเหลี้ยวขึ้นฝา้าดูแท้เลยบักเหนียวเธอเไปไปแขนเ่งาไหม่ไว้บา้านหาท่ามืออื่นมาผลประูสู้กูสู้ร่มก้มจนยังได้ดินวนันน่ไปได้โบกีเลียว ข, ขึ้นฝา้นจาจักเถื่ออีกวัเอาไปมาแลบได้ โ่เห็นให้ใหเงินให้เงินให้ทองอะไรอีกกนหนึ่งไปวันนี้ลูกค้าเที่ยวดาก็เลยแปลงตัวเป็นคนมานบ้านเลยบ้านนี่ก็เลยบอกว่าเจ้าจากได้เงินจกได้ท่องมาโอ้ยก็จะได้อะไรมันถูกมันยากกระกดดเดี่ยเท่านั้นเองเอา้าคอยจะให้นานาเก่งเจ้าเท่านี้นาเก่งเจ้ า, นน า, า, ก, จาก่อนเจ้าที่ยิ่งเจ้าต้องอธิษฐานชาวนาเท่านี้สาธุเตอร์บุญบารมีของขับไปเจ้ามี อะไรกัให้ลูกนายิ่งขึ้นทั้งฟ้าเนี่ยตกลงมาอใส่แผนให้แผนหน้ากันเอท่องคําเงินท่องเต็มให้เต็มทงเต็มเท้าเอาเถอะเนี่ย้ามาตกใส่น้องไงเงื่นท่องตกเต็มหนองเต็มบึงเต็มหนองมาเถอะเนีให้ตั้งจิตอธิษฐานเจ้าก้อนยังคอ ย, ยิ่งขึ้นฟ้าเอาเถอะเนี่บาส น, นี้กับสองโพเมียพระโกได้หนาเก่งกับไปแล้วนะไปกับของมองท่งองกว้างบปแล้วนะไปทงหน้าขงกว้างเลย ตัง้งคิอธิษฐานนะอาถุเดออะไรเนี่คันผู้ขามีบุญวัสนาบารมีนยิ่ยงหนาเก่งขึ้นทั้งฝ่าลูกตกมาใหันเต็มตกใส่ให้หน้าเงื่อนท่องเต็มให้เต็มทงเต็มหน้าเด้อ่นวะพอบอธิฐานเฉยิ่ยงหนาเก่งปักขึ้นไปทั้งฝนะ่าพอตกมาลวลีลีลๆตกปักมาตกไปตีไปถือกีบมากระบกทงว่าผมือนีนะ่เราเนี่หัใจที่ตกีบมากระบกตกปักเสียพันนไะป เล่ยเป็นเงื่อนทอนันแล้วน่ะไปเนี่ยว่าคนบ่มีวาดช น, นะเอาแล้ไปเฮ็ดจังเนี่นยมันก็บกขืนบกเกิดวันแลไปคนบ่มีบุญมาไงไอ้คนมีบุ ญ, นะบญเฮ็ดนั้นจับไปอยังมันขืนมัดเด็ทํามาค่าขายยังก็บขืนจับยังก็เป็นเงินเป็นท่องเออมีท่างไปได้วันแลไปไอ้คนบ่มีวัดชนะเนี่ยปิดตันอันตัวน่ะไปเฮ็ดนั้นก็บกขืนบกเกินเพราะเหตุใดเพราะบกเคยทําบุญไว้ในอดีตชาติคนมา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 เป็นผูนุนเปรยทั่วเป็นชั่วหนุนันไปเพราะนั้นต้งสางบุญบารมีไปกันบุษังบารมีก็นไปกับขึนกันกับสองผัวเมียนะ่ยเกิดมานอะไรกันทุกยากกันเที่ยงกันผัวเมียกันตีผัวผัว ก, ก็ตีเมียบ้านาแทมขึ้น้นมีวัาสนาทังครูเนี่ยไปคนมีวัดาสนาเนี่ยมันึงกันข้นเยี่ยนะเอารับพรนะบ้า่ไอ้เนี่อานโมตนาหายพร